มันนี่ไม่ทราบมันเมื่อยแบบไหนเพียพรผิดปกติมากมันมันเพียแบบแบบอะไรพูดไม่ถูกนะคนควรเอาแล้วเกินนี่ขึ้นจะขึ้นมาเนี่ยไปยิ่งมาขอกราบยืนหนึ่งแล้วก็เราเดินผ่านนี้มาเลยแล้วลาคานขนาดนั้นเนะ่ยเดี๋ยวนี้ลาคาญคนมากจริงๆนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะ ม, มองคนนี้ไม่อยากไม่อยากถามไม่อยากมองเลยนะมันออกระอาขนาดนั้นเลย มันเป็นของมันเองนะมันปล่อยมันวางไปโม้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากเอาเรื่องเอาเราอะไรมันปล่อยใช่จริงๆนะปล่อยเรื่องกิเลสันหาแล้วมันก็มาปล่อยเรื่องโลกเรื่องสงสารเกี่ยวกับประชาชนผู้คนญาติโยม้นทั้งที่มีเมตตาอยู่ มันก็หมดกำลังของมันที่จะนำขันนี้ไปใช้ต่อต่อประชาชนมันหมดเราจวนเข้ามาเท่าไหร่ยิ่งเป็นหง่งเป็นใดหมู่เพื่อนมากนะหมู่เพื่อนมาอยู่นี่ก็ไม่ทราบว่าอยู่แบบไหนผมทนแสนทนนะทนหมูทนเพื่อนทนมากดูแล้วมันไม่น่าดู แล้วยิ่งจะกุดจะด้วนเข้ามาเข้าไปทุกวนันทุกวนันไม่ว่าสำนักไหนสำนักไหนกิเลสจะคืนเราไปกินมดน่ะจะไม่มีเหลือนะ่ะเนี่ยที่วิจิตวิจาร์มากว่ากิเลสนี่มันรวดเร็วมากนะมองดูคนนี่มันเห็นแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแสดงอยู่เต็มตัวเต็มตัวมองดูพระดูเนรเห็นแต่เรื่องกิเลสเต็มเนื้อเต็มตัววิทยาของธรรมที่จะแสดงมายิ่แยบียบเป็นท่าตท่าต่อสู้ท่า ตั้งท่าตางทางไม่ค่อยมีมันมันระเอะยขนาดนั้นแหละี่เลสก่อนมันก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นกิเลสเต็มตัวมาอย่างเดียวกับหมู่กับเพื่อนกับโลกทั้งหลายนั่นมันไม่รู้นะ <c oughs> คือมันหมดทั้งตัวเรานี่มันเป็นกิเลสทั้งหมดเลยมันไม่มีทำ ใช่เลยทั้งๆ ท, ที่เรามาปฏิบัติธรรมแต่ก็แบกกิเลสอยู่ตลอดเวลามันไม่รู้นี่จะทํยไงไงจะทำนิใครก็ทำน่ไม่ได้นะท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาเวลามันเปิดออกพี่เนี่ยมันเลยได้เห็นกันชัดเจนตอนที่มันเปิดออกมันเปิดออกหมดแล้วจริงๆไม่มีอะไรเหลือแล้วมันเห็นหมดนี่จะวาไง นอกจากไม่พูดอะไรมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ทราบจะพูดไปหาอะไรนำมาพูดเฉพาะสิ่งที่พอเกิดประโยชน์บ้างเท่านั้นนะอสิ่งเมื่อเกิดประโยชน์มันเหลือหูเหลือตาเหลือใจที่จะรู้จะเห็นจะสัมผัสสัมพันธ์กับมันมันขนาดนั้นนะจะให้ว่าไงผมก็เปิดโปรดเปิ ด, ปดอกให้หมูผู้อ่อนได้ฟังนี่ เราฟังเราพูดอย่างนี้กิเลสมันมันฟังของมันอยู่นะมมันเร็วที่สุดจากนี้เราไม่ทันนะพูดอย่นี้ก็เป็นลักษณะโอ้อวดหรือหาเรื่องว่าโอ้อวดความรู้วิชาโอ้อวด อ, อัดอวดทำแต่เป็นให้ก็เป็นอุตริไปอันหนึ่งที่หาเรื่องมาพูดอันนี้แหละหูกิเลสมันเปลีย่ยนกันนะ ให้มีแต่กิเลสปลอมเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มมังสานั้นไม่กระดิกพริกแพงในหัวใจสักนิดหนึ่งเลยไม่สะดุดไม่รู้แต่พอทำของจริงออกนิดหนึ่งต่นนั้นกิเลสจะรุมเลยนะอย่างที่พูดตะกินนี่นี่เรียกว่ารมของจริงนําออกมาพูดอย่างนี้เรียกว่าธรรมของจริงกิเลสไม่อยากฟังมันหาว่าโอ้ว่าอวดไปอันที่นั่นแหะเรื่องของกิเลสฟังให้ดีนะจําให้ดีเี ถ้าใครไม่รู้กลมมายาของกิเลสความแหลมคมของกิเลสมันออกมาอย่างนั้นนะของจริงมีอยู่ทําไมาจะพูดไม่ได้ทําไมาจะรู้ม่ได้เห็นไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนํามาประการธรรมสอนโลกอยู่เป็นยังไงดูสิเห็นได้จะมีแต่กิเลสทําหน้าที่ปิดหูปิดตาทําักอย่างเดียวไม่ให้พูดได้เหรอนี่ที่มันจะรุปสังเวชนะมนหม่ ความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกไม่รู้นวดรู้ตัวเลยจะทํำยังไงพวกเรามันเหมือนเตา่าง่วงงามท่วมเ ต, ม ต, มตมี่ยงง่วงงามท่วมเตี่ยมนวดมีให้มีเครื่องมือดูมันเรื่องของจิตเรศมันบีบมันบังคับสัตว์นี่โหไม่มีช่องว่างนะมีแต่เรื่องของจิตเรศทั้งมวลทั้งมวลเลยเวลา carte, มันหนาะมันหนะักขนาดนั้นหมดตัวของเรานะี่ยมีแต่จิเรศทั้งหมดเลย เวลามันกระจ่างออกไปจนฟาดไม่หมดไม่มีอะไรเหลือในใจแล้วมันถึงเปิดโลง่งมันถึงสนุกดูกิเลสว่างั้นเราพูดยังไงเครียดแค้นกิเนี่ผมพูดจริงๆนะผมเครียดแค้นแทนโลกนี่สุดหัวใจเลยจ้ะนะเพราะเคยฟาดกันมาพอแรงแล้วนะเวลาได้เห็นโทษของกิเลนีม่มันเห็นจริงๆนะเห็นจนกระทั่งถึงว่าไม่มีเวลาหลับเวลานอนจะเป็นจะตายก็ไม่ได้สนใจเพราะความเพียร มันฟัดกันนั่นแหะตอนมันเห็นโทษกิเลสมันเห็นขนาดนั้นเห็นคุณของค่าของธรรมนี่กัมันก็เห็นถึงใจแบบเดียวกันน้ำหนักเหมือนกันแล้วมันก็ดันกันเลยมันถอยไม่ได้แล้วเรื่องให้ถอยถอ ย, ถอยไม่ได้นอกจากคอขาดเท่านั้นคอขาดกับกิเลสนี่เลยให้ถอยกิเลสนี่ถอ ย, ถอ ย, ถอยไม่ได้แล้วนั่นเพราะความเห็นโทษถึงใจนี่เวลาเรื่องมันผ่านไปแล้ว มามองดูโลกมันเป็นอย่างนั้นจะทำไงต้องเครียดแค้นแทนความเสียวเาๆของพวกเราของโลกนี่เมื่อเรื่องของจิตเทั้งหมดมันหมดเนื้อหมดตัวเลยพูดแล้วผมสลดสองเวทจริงๆนะมนมามันไม่มีใครเห็นด้วยนี่ว่ามาเห็นคนเดียวแล้วมาพูดคนเดียวมันก็เหมือนบ้าอีกเหมือนกันนะนี่อาจารยร์พระพุทธเจ้าภาษาโกท่านเท่านั้น อาาชจริงๆผู้ศรีเจ้าท่านรู้ได้ยังไงไม่มีใครแน่ใครบอกเลยเปิดโผล่ขึ้นมาได้ยังไงนี่มันหนามันแน่นขนาดนั้นนะขนาดที่ว่าสุดวิสัยของโลกที่จะเปิดออกมาได้ว่างั้นเถอะโลกไม่สนใจมันกรอบอีกขั้นหนึ่งไม่ให้โลกสนใจกับเรื่องของมันเลยเรื่องของมันจะแสดงออกแบบไหนก็ตามถ้าเป็นเรื่องของจิเงใหญแล้วโลกจะจะไม่ทําใหโ้โลกนี่รู้มันได้เลยนะ ไม่ให้ทราบได้เลยมันขนาดนั้นนะมันแหลมมันคมมันละเอียดเราทุกเนี่ยทุกมุมแม้แต่เรื่องของกิตเรศแสดงตัวหมดเลยหมดหัวใจของเราการสร้างออกมาทั้งส่วนร่างกายนี่ก็เป็นตัวของกิตเรศทั้งหมดนี่เวลาชำระเข้าไปชำระเข้าไปเห็นโทษของมันเข้าไปเรื่อยเพราะเห็นทำมีนี่มันก็เริ่มเห็นเรื่องโทษของจิเรศที่เมื่อมีทำก็มีกล้องว่าพูดว่าเหมือนมีกล้อง ค่อยเปิดออกเปิดออกเปิดอ อ, ด อ, อตรงไหนมีแต่พวกตรงอางพวกมูเหา่านู่นโอ้สามเหลี่ยมกองพะิลนเทินทถกนี้แต่อันเดียวมีแต่อันเดียวโอพวกพวกเสือโคร่งเสือดาวพวกยักษ์พวกผีแต่หัวใจไม่มีเลยกระดิกออกไปภาภพนี้อันนี้ออกแล้วอันนี้ออกแล้ว น, นี้เวลามันเปิดเมยนั่นเห็นชัดเจนนะมันถึงเครียดถึงแค่ เจ็ดแค้นงนขนาดที่ว่าฉันจะหันอยู่กองทัพกิเลสมาแล้วหนเท่านั้นเองถึงเลย้็รอไม่ได้ว่ามันเจียบแค้นไอมู่เพื่อนยังนอนใจกันอยู่อย่างนี้ผมตรนี่ที่ผมเป็นห่วงมากนะคือไม่ไ ม, ไม่ไม่เห็นโทษของมันเลยนี่ประกาศกลางวาันมาได้สองพันห้าร้วยปวีธรรมปกตติเจ้าก็ยังเหมือนกับว่าห่างกัน ห, ห่างกัน แล้ครูบาอาจารย์นำมาประกาศสดๆร้อนๆ อ, อ, อยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันไม่ตื่นตัวบ้างหรือเหมือนดั่นที่มันน่า ก, กินนะมันไม่สะดุดใจบ้างเหรือมันเป็นยังไงมันถึงแน่นอนใจนั่งหนานอนใจกับยิ่เรีนี่นอนมาสักเท่าไหร่ทุกมาสักเท่าไหร่ก็ยิ่งเรียนี่มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวบ้างเหรือนี่สิโอ้โหละอียดสุดๆสามแดนโลกาธาตุนี่มันครอบหมดเลยนะ ไม่มีจิตตวิญญาณดวงใดที่มันครอบไม่ได้เว้นจิตของพระอรหันต์ท่านผู้บริสุทธิ์พุทโธแล้วเท่านั้นนั่นแหะท่านผู้เลิศนั่นเลิศจริงๆเนี่ยพวกเรานี่ยเลวจริงๆพระพุทธเจ้าเลิศจริงๆมันต่างกันนะั้นมีรุ่นแทนที่มันจะมาเป็นห่วงตัวเองมันกลับมันไม่มีนี่นะ มันกลับไม่มีมันมีแต่เป็นห่วงโลกห่วงสงสารห่วงผ้าห่วงเนีนห่วงผู้ปฏิบัติใกล้ชิดติดพันกับตัวของเราเองอยู่นี่มันไม่ได้เรื่องเลยรลอะไรทำยังไงผมอยู่กับหัวใจของโลกเท่านั้นนะเวลานี้ผมอยู่หัวใจของหมู่ของเพื่อนนะถ้าธรรมดาลนะมันก็ควรจะไปนานแล้วเพราะมันจะไปอยู่หลายครั้งแล้วร้างเอาไว้ล้างเอาไว้พอล้างได้ล้งางไ้ เพราะมันไม่มีอะไรจังหวงจังหวงแล้วในสามเดนโลกธาตุนี่มันไม่มีว่ากันได้เฉยๆนี่สามเดนโลกธาตุนี่มีเป็นอยู่ตามสภาพของเขาดินฟ้าอากาศยินน้าลมไฟเขาก็มีแต่เขาไม่รู้ว่าเขาว่ามีสี่เขาไม่รู้ความหมายของเขาก็เท่ากับเขาไม่มีเมือ่อจิตของเราไม่ไปสัมผัสเขาเสอย่างเดียวไม่ไปยุ่งไม่ไปเป็นบ้าคือคณรองคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ขึ้นมาเสอย่างเดียว กิจเป็นกิจแค่อย่างเดียวเท่านั้นเรื่องเหล่านั้นมันจะมีอะไรไม่มีนี่นั่นแหะสุญโตโลกกางเวกัสสูโมครายะชัสสาสโตโตนี่ผู้ที่เจ้าท่านแสดงเก่พระโมคราชท่านจงดูมีจงท่านจงเป็นผู้มีสติดูโลกให้เป็นของว่างเปล่าท่านถอนอัตตาให้ผีเสียตอนปลายผมจำไม่ได้บาลี ดูโลกนี่เป็นของว่างเปล่าคือมันว่างอยู่ในหัวใจนั่นเมื่อใจมันปล่อยมันวางหมดแล้วมันว่างจริงๆใจไม่ปล่อย่างสิมันไม่ว่างมันหนักมันหน่วงมันถ่วงหัวใจเมื่อใจปล่อยส่อย่างเดียวเท่านั้นสิ่งรนั้นเขาไม่เห็นมีหนักหน่วงกับเขาอะไรเขาไม่รู้ความหมายมีแต่ใจดวงเดียวตัวมันคือตัวขนองดีดนเป็นดิ้นเป็นบ้าอยู่คนเดียวตื่นแดดตื่นลมจะของตื่นสั้งขานจะของอะไร มันคิดเรื่องนั้นมันตรุงเรื่องนี้มันสําคัญมันหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้เมืแต่ใจดวงเดียวนี้ออกเป็นดิน้นไปดิดเป็นบ้าตื่นลมตื่นแรงตื่นเงาเจ้าของอยู่มันตื่นเงาเจ้าของนะอย่างนี้นะต้นไม้ภูเขาดินฝ้าอากาศเขาไม่มีอะไรนี่นะมันเป็นบ้าเฉพาะจิตของเราเนี่ยมันตื่นลมตื่นแรงตื่นดินฝ้าอากาศมันคิดมันปรุงเอาแต่เรื่องเหล่านี้แหละมาคิดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอื เรว่าเล่นตุก๊กตาของเจ้าของอะแหะเหมือนเด็กเล่นตุก๊กตาเลยเราเล่นกับสังขารตื่นทั้งขานตื่นไม่จืดไม่จางตื่นอยู่อย่างนั้นมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเป็นสดสดร้อนๆทันทีเชื่อทันทีนะถ้าลงสังขารได้ปรุงขึ้นแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรจะต้องเชื่อทันทีทันทีเลยอืม mm. เห็นไหมมันบังคับพ้อมสังขารสังขารสมุทัยเป็นอย่างนั้น มันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องไหนนะ่ะเรื่องเราจะไม่เชื่อนะ่ะมันเชื่อทันทีทันทีแล้วก็หลงตามทันทีด้วยเพราะเชื่อแล้วก็หลงตามหลงตามดีข้างบรอิหารท่านไม่ได้หลงนี่ท่านไม่เพราะฉะนั้นท่านถึงจับตัวมันได้เลี่มันตัวหลอกตัวหลอนดิที่ทานผู้สิ้นจิตจิตเละแล้วมันไม่มีอะไรมาหลอกมาหลอนทั้งขันมันปรุงยิ่งแยบยแ ย, บ, ยบปรุงขึ้นไปปรุงเท่าไหร่มันก็ดับของมันเท่านั้นเพราะมันไม่มีเจ้าของยึดนี่ มันก็จะมีความหมายอะไรมันก็ยสนุกดูเลยสิเมื่อมันไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับตัวเองไม่มีได้มีเสียเกี่ยวพันกันแล้วมันก็จะไปหลงกันเลยมันก็สนุกดูสิความคิดความปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ยุ่งอยู่เ น, นี่ยแต่ยุ่งกับเรื่องสังขารเจ้ า, จาของนะพังให้ดีนะพวกบ้าสังขารบ้าหลงสังขารคือพวกเราเนี่ย มันปรุงขึ้นเรื่องกี่กับกี่กันมาแล้วก็ตามวาดภาพขึ้นมาเฉยๆลมๆแรงๆมันก็เชื่อลมๆแรงๆนั่นแหละวาดแบบไหนมันก็เชื่อแบบนั้นเรื่องไม่เชื่อไม่มีจิตของคนมีกิเลสเป็นอย่างนั้นหลวพ่อานจึงได้แก้ยากเลยสิเพอป้บเข้าไปมันติดแล้วเนี่ยมันเชื่อแล้วติดแล้วนั่นเรื่องปรุงออกมาหลอกเจ้าของมันเร็วแต่เรื่องสนใจจะแก้มันหรือว่าจะเห็นโทดของมันไม่เห็นนั่สิ อันเนี้ที่มันมันนี่แมันไม่ทันกันอย่างนี้แหละระหว่างกิเลสกับธรรมพิจารณาสิอยู่ทั้งท่านผู้บริสุทธิ์แล้วท่านทันหมดมันปรุงขึ้นมายังไรท่านก็ทันหมดไม่ตั้งใจจะทําให้ทันก็รู้ว่ามันดีดมันดิ่งยังไงยังไงอยู่ตลอดเวลาท่านไม่หลงมันตั้งว่าอัจฉรย์ท่านลหรอสิพวกเราพวกหลงพวกบ้าพวกตื่นลมตื่นแรงเจ้าของตื่นวาดภาพ ห ล, ล, ลงหลงแรงแรงปุงเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เชื่ออยู่ทั้งวันเอาอารมณ์นั้นมาเป็นเครื่องเล่นอยู่นั่นเล่นแล้ว เ, เล่นติดด้วยนี่นะไม่ใช่เล่นธรรมดานี่มันติดด้วยนี่นี้เราเรียกสังขารขันจะเป็นขันล้นล้วนแต่เป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วสังขารขันนี่ก็เป็นขันล้นล้วนขันไม่มีเจ้าของถ้ามีสมุ ท, มทัยคือมีกิเลสอยู่นั่นแล้ว นี่แหละเครื่องมือสําคัญของกิเลสวกสังขารปกสัญญานี่แหละตัวนี้ตัวสําคัญตัวสังขารตุงอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ควรมากที่สุดในบรรดาขันทั้งหลายนะตัวนี้ควรมากที่สุดหลอกมากที่สุดต้มตุ๋นตลอดเวลาไม่มีเวลาอยู่เป็นปกตินี้แต่เวลาต้มตุ๋นจะของหลอกลวงเจ้าของอยู่ตลอดจําไม่ดีฟังให้ถึงใจนะตัวนี้เอง ควรอยู่เฉยๆคนเดียวนี่มันก็ควรของมันอยู่ในนั่นนะอืถ้าลงมีสมุทรไทยอยู่ในนั้นแล้วมันควรเอากิ้งเอาจังด้วยนะให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพ่อมันจริงๆนะอืนอกจากมันหมดเชื่องมันจะไม่มีอะไรมันกระพุ่งของมันปรุงเท่าไรจะให้มันตั้งอยู่มันก็ไม่อยู่พุงผ้ามันกระดับไปข้อไปข้อเมื่อรู้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องในราวอะไรจึงเทียบเหมือนกับหางกิ้งเหรินขาด ตัวมันวิ่งเข้าไปปา่าในป่าแล้วหางมันยังดุดิบดุดิกหางขาดหางมันยังกระดูกกระดิกดกระดูกกระดิบไม่มีความหมายนะหางกิงเหริ น, น่ะอันนี้ขันไม่มีความหมายอย่างเดียวกันนะมัน ก, กระดูกกระดิบของมันอยู่อย่างนั้นนี่ยมันยังเป็นห่วงใยหมู่เกลื่อนมากเราไม่ทราบจะห่วงทางไหนต่อทานายโอ้โลกนี้มันเมื่อจริงๆนะแม่ ไม่มาเห็นโทษของมันอ๋อมืดจริงๆมืดทั้งๆกิตาใสาแจ๋วอยู่เหมือนตาแมวเลยนะ่ะแต่มันก็มืดจริงๆสิ่งที่มืดมันปิดอยู่ในหัวใจนะ่ะมันไม่ให้มองเห็นอะไรเลยเห็นพาพปิดปุ๊บนั่นสัมผัสซ้ำพันธ์กับเรื่องอะไรไมีแต่เรื่องติดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้ทงนั้นมันไม่ใช่เรื่องของธรรมพอจะรู้เนื้อรู้ตัวเลยอย่างเป็นอย่างนั้น อดึงดูโลกชั้นที่นี่ดูแค่พอเมื่อมีขันอยู่อย่างนี้เครื่องมือดูโลกมันไม่มีความหมายอะไรดูแล้วเอาขันนี่แหละซึ่งเป็นสมมุติเหมือนกันกันกบโลกทั่วไปแหละดูสิ่งทั้งหลายอ ม, ม, มีอะไรตัวขันเองที่มันดูมันก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรของมัน ม, มีแต่ใจเท่านั้นที่นี่ใจก็ไม่หลไม่หลงตัวเองเสียแล้วนั่นที่มันสนุกดูถ้าว่าสนุกใจไม่หลงตัวเองซะอย่างเดยวเท่านั้น ใจเป็นตัวของตัวร0อยเปอร์เซนตแล้วเนนะมันสนะ น, น, นุกดูห็นเดตโล ก, กังโลก ว, ว่างโลกเป็นของว่างเปล่ามันว่างอยู่ในหัวใจคือโลกเขาเขาว่างเขาอยู่แล้วเราไปหมายต่างหากไปคิดนั้นคิดนี้พอตัวนี้ไม่คิดไม่ยุ่งนะมันก็ว่างหมดเลยว่างหมดแล้วด้วย เมื่อวางหมดแล้วมันก็ว่างไม่มีอะไรมาเป็นอารมณ์ผมเทศหมดหมดไส้หมดพุงนะเทศให้เฉพาะอย่างยิ่งพระเราฟังเทศกันไหนเจ้าของไปเปิดดูนี่แหมเลยเลือกไม่ได้จับกันไหนก็วางไม่ลงจับกันไหนวางไม่ลงมันทำไมมันติงเป็นอย่างนั้น ก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้ธาตุขันมันไม่อำนวยมันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างนั้นเทศที่หมุนติ่วติ่วอย่างนั้นแต่ก่อนมันเก่งหมุนติ่วติ่วมันก็อจจจัศจรรย์เรื่องอํานาจของธรรมอานาจของจิตที่ออกทํางานเต็มที่ที่มีธาตุมีขันเป็นเครื่องสนับสนุนได้อย่างเตะพอตัวหรืออย่างเต็มที่นี้แสดงมันก็ออกได้ออกได้อย่างเต็มที่เว่าฟังมันเพลินน่ะผมฟังกับผมยุกคืนนั้นน่ะ นอกจากในระยะนั้นมีงานอะไรจําเป็นจริงๆผมถึงจะไรงั้นผมฟังทุกคืนฟังกันไหนวางไม่ลงวางไม่ลงจะเลือกว่ากันไหนดีกันได้ดีเลือกไม่ได้ไม่ได้ไไดยกยอเจ้าของนะเจ้าของฟังทำเจ้าของแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าธรรมนี่เป็นของเราเป็นผู้แสดงนะมันอยู่กับธรรมพระพุทธเจ้าหมดเพราะฉะนั้นมาถึงได้ฟังอย่างถึงใจเลยสิธรรมมันอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหะไม่ได้อยู่กับเรา ไม่เลยว่าเราเป็นคนเทศเราเป็นเจ้าของของทำอะไรความเป็นใหญ่อยู่กับธรรมทั้งหมดอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเราก็สนุกฟังเลยแหมฟังกันไหนหมุนติวติ่มันน่าถึงใจไอ้หมู่เพื่อนข น, น, นาะความหมายความว่าอย่างนั้นนะเราเองแท้ๆฟังอย่างนี้ยงเพลินนะทุกวันนี้เพลินคล้อยตามมันเป็นเครื่องปรสานกันระหว่างขันธ์กับจิตที่ยังมีคีสอยู่นี้เป็นเครื่องดืง่นเดิง พูดไม่ถูกนะาอาวัชลื่นเลิกลดีมันเป็นเครื่องประสานกันให้ซึงซ้งซึ้งอย่างอื่นมันเข้ามามันยุ่งไม่ได้หาพูดให้มันเต็มยศหนีเรื่องอารมณ์ของโลกแต่ก่อนมันเป็นบ้านจําหางดึงไว้ขี่นะขี่นะมันยังดิน่นบืนไปจนหางขาดเหมือนหมาอย่างที่นี่ตีให้มันไปมันก็ไม่ไปแต่เรื่องของโลกมันปัดปับเลยทันทีไม่เอาเลยนะ มันเะว่ามันเบื่อก็ว่าได้จะว่าอะไรก็ว่าได้แล้วมันพอของมันบูรณ์ยังไงมันพอใช่มเอาไหนแล้มันพอของมันเรื่องของธรรมนี่มันซึ้งนะนั่นแหละท่านว่าเป็นอะไรธรรมโอษฐ์ในทิฏฐธรรมะเวลายังขันกับผิดยังคลองกันอยู่อาศัยอันนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยง เป็นเครื่องชะโลมเป็นเครื่องประสานกันที่ฟังเพลินฟังกันไหนก็พอๆกันมันน่าจะถึงใจหมูเพื่อนนะนั่นเทศมันออกมาจากหัวใจจริงๆพุ่งพุ่งพุ่งออกมาจากความรู้ความเห็นความเป็นจริงไม่ได้ไปค้นไปคว้าไปรูปไปคำที่ไหนมาเทศนี่ออกจากนั้นสุดๆร้อนๆเหมือนน้าพุพุ่งพุ่ง พุ่งออกมาใจเป็นธรรมทั้งดวงแล้วมันก็ออกตังก้งแต่ธรรมล้วนๆเลยพี่ออกมามีเท่านั้นแหละเอาละนะพอแล้วนะเท่านั้นเทยวไปว่าพันเหนื่อยไปเนื่อยมันไม่ถอยความเหนื่อยนะเที่แทนที่จะเพลินไปเหมือนแต่ก่อนมันไม่เพลินไปนะความเหนื่อยมีกําลังมากกว่ามันกระโดดขึ้นมาไวซะเรื่องขันออกจ้าบละ